วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่ง น, นี้ที่จะมีการแสดงธรรมสามสิบนาทีแรกและตามด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีด้วยกันเป็นการเจริญปัญญาและ เป็นการเจริญสมาธิที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทำที่จะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องจิตตะภาวนาจิตตะภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจ ให้มีความสุขให้มีความรู้ความฉลาดเพื่อที่จะได้รักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จิตใจไปสัมผัสรับรู้ถ้ามีการเจริญจิตตภาวนาจิตใจก็จะมีเครื่องมือสองชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือสมาธิ ความนิ่งสงบของใจและปัญญาความฉลาดความรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาใจก็จะสามารถกําจัดเหตุต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการเจริญจิตตภาวนาซึ่งการเจริญจิตตภาวนานี้ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบนิ่งให้เป็นสมาธิขึ้นมาหลังจากที่ได้สมาธิจากการเจริญสมถภาวนาแล้วขั้นต่อไปก็ไปเจริญ วิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาความรู้ความฉลาดของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังนิสตาเพื่อที่จะได้ตัดความอยากในสภาวะธรรมทั้งปวงได้เมื่อตัดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากภายในใจก็จะหมดสิ้นไป นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภ า, าวนาเป็นหัวใจสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำจัดความทุกข์ของใจเครื่องมืออย่างอื่นคือศีลคือทานนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเพียงแต่ช่วยบรรเทา ความทุกข์ทางใจให้เบาบางลงให้น้อยลงแต่จะให้ความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้จําเป็นที่จะต้องจเจริญจิตตภาวนาถึงจะสามารถที่จะเข้าไปลังนับเหตุหรือกรรมจัรเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหา โมหะอาวิชชาที่เป็นตัวคอยก่อกวนใจให้มีความรู้สึกวุ่นวายให้มีความรู้สึกหิวโหวยให้มีความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะความอิ่มความพอมันอยู่ตรงกันข้ามกับความหิวความอยากถ้าแต่ ถ้าต้องการให้เกิดความอิ่มความพอก็ต้องหยุดความหิวหยุดความอยากแต่ถ้าไปทำตามความหิวทำตามความอยากความอิ่มความพอก็จะไม่เกิดเพราะมันจะอยากไปเรื่อยๆความอยากไม่มีวันสิ้นสุดด้วยการทำตามความอยากความอยากจะสิ้นสุดจะหมดไปได้ด้วยการฝืนความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยาก แวิธีการที่จะทำให้ไม่ทำตามความอยากได้ในเบื้องต้นก็ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนเพาใจที่นิ่งที่สงบแล้วก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวทำให้ใจมีความรู้สึกสบายมีความสุขแล้วหลังจากที่ใจมีความสุขความสบายแล้วก็ใช้ปัญญามาวิเคราะห์ดูสาเหตุของความ ความทุกข์ใจความไม่พอใจเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากนี้เองความอยากนี้เกิดขึ้นในขณะที่ใจไม่สงบพอออกจากความสงบมาใจก็จะเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเริ่มสัมผสัสรับรู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเกิดความรู้สึกรับรู้กับสิ่งต่างๆหรือคิดถึงสิ่งต่างๆความอยากในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาทันที ความอยากก็เกิดขึ้นจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้นี้เป็นความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขแบบไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ต้องมีการเสื่อมลงไปน่าหมดไปเวลามันเสื่อมลงไปรื่หมดไป ความเศร้าใจความเสียใจก็จะเกิดขึ้นตามมาําไปสู่ความอยากใหม่เมื่อสูญเสียสิ่งที่อยากได้สิ่งที่เคยให้ความสุขไปก็ต้องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนต่อไปก็จะต้องคอยหามาทดแทนอยู่เรื่อยเพราะสิ่งต่างๆที่หามาได้นี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมไปหมดไปพอเสื่อมไปหมดไปใจที่ยังมีความหิวมีความอยากอยู่ก็ต้องไปหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆก็จะต้องทําไปจนถึงวันตาย<ม>พอวันตายร่างกายตายไปร่างกายที่เป็นเครื่องมือตายไปใจก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่าเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ มาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขชั่วคราวต่อไปก็จะต้องมีการดินน้นรนการแสวงหากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะได้รับความสุขเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเวลาได้อะไรที่อยากได้มาก็เกิดความสุขใจสบายใจดีใจแต่สักพักหนึ่งสิ่งที่ได้มาก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปความสุขใจที่ได้มาก็หายไป ความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้คือปัญหาของอวิชชาหรือโมหะคือการไม่เห็นว่าความสุขความความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีไม่มีในสิ่งต่างๆไม่มีในลาบยอดสรรเสริญไม่มีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัชชนิดต่างๆความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ การหยุดสวงหาหยุดความต้องการถ้าหยุดความอยากได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเวลาหยุดความอยากใจที่ดิ่นที่กังวลกัวายกระเสก็กระซากระสา ก, ก, ก, กระสายก็จะสงบตัวลงพอสงบตัวลงความสุขก็เกิดขึ้นมาในใจทันทีนี่แหละคือประเด็น ประเด็นของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่นี้ก็เกิดจากอาวิชชาความหลงหรือโมหะความหลงคือไม่รู้ความเป็นจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลงไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ในสิ่งต่างๆในกามะพภก็ดีในรูปะพภก็ดีในอรูปะพภก็ดีแในความสุขของกามะพภก็ดีรูปะพภก็ดีอรูปะพภก็ดี เงินเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสริมมีวันหมดพอเวลามันเส่อมมันหมดความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ความอยากที่จะหาความสุขใหม่ก็จะเกิดขึ้นตามมาก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ผู้ที่เสพกามก็ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบ ผู้ที่เสพรูปประชานก็ต้องกลับมาเกิดในรูปประพบผู<ม>้ผู้ที่เสพอารู ป, ประชานก็จะไปเกิดในอรู ป, ปรอารู ป, ประพบ<ม>พอเสื่อมลงไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอจะต้องใช้ต้องมาเจริญรูปประชานอรูปประชานใหม่เพื่อที่จะได้เข้าสู่ความสุขของรูปประชานและอรูปประชาน<ม>ก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ทุกคร้งที่มาเกิดก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆน่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงอีกเหมือนกันเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นมาอีกความทุกข์ที่เกิดจากการได้ร่างกายมาร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทำให้ใจต้องทุกข์ พอใจไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆพอร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้ใจก็ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความเจ็บก็เป็นสิ่งที่ใจไม่ต้องการใจต้องการแต่ความสุขแต่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกาย มาเจอกับความทุกข์ของความตายนี่คือปัญหาของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และจะแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนานี้การจะจจริรจิตตภาวนาได้ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนคือต้องมีเวลา ถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะเอาเวลาไปทำอะไรทางด้านของการหาความสุขทางการทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เช่นถ้าเราไม่ถือศีลแปดเนี่ยเราก็ยังไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ถ้าเราไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการภาวนา เพราะเวลาส่วนหนึ่งก็ต้องเกิดจากการที่ต้องไปหาหาทรัพย์หาเงินหาทองเพื่อ ม, มาใช้ในการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะสามารถมาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทำได้อย่างมากก็อาจจะได้วันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเช่น ถ้ต้องไปทํางานก่อจะกลับมาถึงบ้านก็ค่ำเย็นกว่าจะกินข้าวเสร็จก่อนจะเข้านอนจะมานั่งสมาธิถ้าครึ่งชั่วโมองบางทีก็นั่งไม่ไหวม่วงนอนกินข้าวมันก็อิ่มอิ่มท้องอิ่มแล้วมันก็อยากจะนอนประกอบกับการต้องไปทํางานมาทั้งวันเหนื่อยมาทั้งวันด้วยการที่จะมีกําลังที่จะนั่งสมาธิแม้แต่เพียงครึ่งชั่วโมองก็อาจจะนั่งไม่ได้นั้นก็รอให้เวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้า พอตื่นขึ้นมาาก็ตื่นสายพ อ, อตื่นสายเวลาก็ไม่มีให้กับการนั่งสมาธิเพราะเวลานอนก็อยากจะนอนมากๆพักผ่อนร่างกายเพื่อที่จะได้มีกําลังวังชาในการที่จะไปทำมาหากินต่อในวันวันต่อไปอก็ต้องวุ่นวายวันทํางานก็ต้องวุ่นวายกับการไปทํางานเวลาที่จะมาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ก็แทบจะไม่มี พอถึงวันหยุดก็เป็นเวลาที่จะต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรถพอทํางานมาตลอดระยะเวลาห้าวันก็เพื่อที่จะหาเงินทองมาซื้อความสุขจากรูปเสียงกิน่นรถพอถึงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นรถกันเวลาที่จะมาเจริญจิตตภาวนานก็ไม่มีดังนั้นถ้าต้องการเจริญจิตตภาวนานี้ จำเป็นที่จะต้องมีการกําจัดจํากัดจํากัดเวลาของการเสพการจํากัดเวลาของการทำอาหากินถ้าอย่างต้องทํามหากินอยู่ทั้งวันเวลาของวันทํางานก็จะหมดไปกับการทํางาน<ม>แล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเราจะจำกัดก็จํากัดได้แค่เฉพาะวันหยุดโดยแทนที่เราจะไป เชี่ยวไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงหรือไปอะไรต่างๆทางรูปเสียงกิจเราเราก็ไปเปีกวิเวกไปหาที่สงบตามวัดวารามต่างๆตามสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญเราก็จะมีเวลาได้ประมาณสองวันต่ออาทิตย์ที่เราจะสามารถมาเจริญกิจตภาวนาได้ถ้ายังไม่สามารถทำได้ โอกาสที่จ ะ, จะเจริญจิตตภาวนาให้เกิดผลขึ้นมานี้ย่อมเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนส่วนใหญ่คนที่เป็นไปได้นี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่เคยบำเพ็ญจิตตภาวนามาในในอดีตชาติแล้วพอพอรู้จักวิธีพอมีกำลังของสติที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดปรุงแต่งให้อยู่ในกรอบของความสงบได้ ดังนั้นเบื้องต้นถ้าอยากจะบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จําเป็นจะต้องมีวันให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนาเช่นวันพระที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไวน้นี้ก็เป็นวันที่ทรงให้ญาติโยมหยุดภารกิจการงานทางโลกหนึ่งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเอาเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนของวันพระนี้มาให้กับการ บำเพ็ญจิตตาภาวนาะด้วยการรักษาสินแปดขึ้นไปเพราะถ้ารักษาสินแปดแล้วก็จะไม่สามารถไปทำกิจกรรมทางกามอารมณ์ได้ทางรูปเสียงกลิ่นถโผธสะพ้าได้สินข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดในการรมมาเป็นไม่ไม่ประพฤติในกามเลยไม่มีกิจกรรมทางกามเลยคือไม่มีการเสกเมตไม่มีการร่วมหลับนอนกัน ถ้าถือศีลห้ายังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่พอมาถือศีลแปก็ต้องหยุดหยุดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองหรือครับหรือกับใครก็ตามเพราะจีได้เอาเวลาที่ไปใช้ในการเสกกรรมนี้มาให้กับการบาเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็ต้องอก้นเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพราะการรับประทานอาหารมากๆ ก, ก็จะเสียเวลาของการบำเพ็ญจิตตภาวนาไปแล้วก็จะเป็นนิวรณ์เกิดเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการภาวนาเพราะมากินมากๆ ก, ก็จะเกิดอาการง่วงเหงาเหงานอนเกิดความเกียจค้านแทนที่อยากจะนั่งสมาธิก็อยากจะนอนแทนที่อยากจะเดินจงกรมก็อยากจะนอนก็จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติจิตตภาวนาได้ ถ้ากินอาหารหลายๆมื้อด้วยกันนักปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องถือศีลข้อหกนี้คือไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วก่อนเที่ยงวันก็อาจจะกินมือ้อสองมื้อได้อยู่แต่ถ้าอยากจะเข้มข้นก็อาจจะกินเพียงมื้อเดียวจะได้หมดปัดปัญหาเรื่องการกินไปตั้งแต่เช้าเลยพอกินเสร็จแล้วหลังจากกินเสร็จแล้ววันทั้งวันก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินอีกต่อไป ก็จะได้เอาเวลามาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อเจริญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวน า, วภ า, ภ า, า, วนาตามลําดับต่อไป mm hmm. นี่คือจุดเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการจะบาเพ็ญจิตตภาวนาต้องมีเวลาให้กับการเจริญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่สามารถที่จะ บำเพ็ญจิตตภาวนาได้เมื่อไม่บำเพ็ญจิตตภาวนาเครื่องมือนสาคัญสองชิ้นก็จะไม่เกิดคือสมาธิและปัญญาก็จะไม่เกิดดังนั้นต้องมีการกําหนดเวลาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาในวันพระที่พุธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้นี้ก็มีเจตนาให้มาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เองแต่สมัยนี้วันพระ กับวันหยุดทำงานของศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ไม่ตรงกันอีกก็เลยทำให้วันพระของศรัท ธ, ธาญาติโยมเหลือน้อยลงไปเช่นวันพระครั้งต่อไปนี้จะตรงกับวันจันทร์พอตรงกับวันจันทร์ก็เป็นวันที่ญาติโยมต้องไปทำมาหากินก็ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เพราะถ้าหยุดทางานบ่อยๆเดี๋ยวก็ถูกเขาไล่ออกวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือ ญาติโยมต้องเปลี่ยนวันพระวันหยุดวันพระของญาติโยมมาให้ตรงกับวันหยุดทํางานของญาติโยมถ้าญาติโยมหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ต้องกําหนดวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เป็นวันพระวันสําหรับการปฏิบัติจิตตภาวนาถึงจะสามารถมีเวลาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ถ้าเราให้วันพระมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งสักเดือนกว่าสองเดือนน ถึงจะมีวันพระที่จะมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สักครั้งสองครั้งนอกจานั้นก็จะเป็นวันวันอื่นวันจันทร์วันอังคารวันที่เราต้องไปทํางานทําการวันเหล่านั้นเราก็จะไม่มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติเพราะต้องไปทํางานพอวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็อยากจะเอาเวลาไปหาความสุขทางการเสพรูปเสียงกลิ่นลดกันก็จะไม่อยากที่จะบําเพ็ญกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติจิตตภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องมีการฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายถ้าไม่มีความศรัทธาความเชื่อในประโยชน์ที่จะได้จากการบำเพ็ญจิตตภาวน า, าก็จะไม่สามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้ามีความเชื่อว่าการบำเพ็ญจิตภาวนานี้จะนำสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐมาให้กับจิตใจเบื้องต้นก็ให้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วต่อมาก็จะให้วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ ช่วยกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้ามีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับจากการบำเพ็ญจิตภาวนาก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางการบำเพ็ญจิตภาวนาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่กีดขวาง พ่อของพระเจ้า ก, ก็พยายามสร้างกวามสุขให้ห้อมล้อมเจ้าชายศิทธิ์ถาไว้ไม่ให้ไม่ให้ใหเบื่อนายากับการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสร้างภาษาสามฤดูให้อยู่แล้วก็ห้ามไม่ให้ออกไปภายนอกวงังไม่ให้ไปเห็นความทุกข์ของการเสพกวามสุขว่าอะไรจะตามมาเครื่องมือที่ใช้ในการเสพกวามสุขก็คือร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลงไปเพราะว่าถ้าเห็นเครื่องมือคือร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องรู้เลยว่าการเสด็จการมาส่งนี้มันไม่เป็นไปไม่ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไปร่างกายมันก็เสพไม่ไหวเมื่อเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็พยายาม ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ไปเห็นสิ่ง ต, งต่างๆที่ทำให้เกิดความป่าเถนาที่อยากจะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ในที่สุดก็ห้ามไม่ได้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถาก็เล่นเล่าหนีออกไปนอกวางไปเที่ยวก็ไปเห็นคนแก่คนคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นอนาคตของร่างกายของตน ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น mm hmm. เห็นนักบวชก็เห็นทางออกของการออกจากความทุกข์เพราะนักบวชก็เป็นผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะทราบว่าเป็นวิธีการของการกาจัดความทุกข์ของทางใจได้แต่ก็ยังติดอยู่กับภาระของเจ้าชายอยู่ mm hmm. ต้องอยู่ในวงัง mm hmm. ต้องทำหน้าที่ของตนเอง แต่ในที่สุดความปรารถนาอันแรงกล้าและความศรัทธาในการบำเพ็ญจิตตภาวนาว่าจะเป็นวิธีของของการดับความทุกข์ของใจวิธีเจริญความสุขที่แท้จริงให้กับใจได้พระองค์ก็เลยต้องสละราชสมบัติต้องหนีไปประกาศไม่ได้บอกใครไม่ได้ถ้าบอกก็จะถูกห้ามถูกกักขังทันทีอเลยต้องไปแบบไม่มีใครรู้ นี่แหลคืออุปสรรคของการที่เราจะมาบำเพ็ญจิตภาวนากันในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีอุปสรรคเยอะแยะอุปสรรคทางบ้านทางที่ทำงานทางคนใกล้ชิดเราครอบครัวเราลูกเราสามีเราภรรยาเราสิ่งตดางเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญทั้งนั้นเพราะการบำเพ็ญที่จะทำให้ได้เกิดผลขึ้นมาได้นี้จะเป็นจะต้องปลีวิเวกต้องอยู่คนเดียว เพราะว่าถ้าอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็จะมีเรื่องมีราวให้ต้องคิดต้องต้องสนทนากันต้องอะไรกัน mm hmm. การจะทำให้จิตสงบก็จะเป็นไปได้ยาก mm hmm. แต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ก็ไม่มีเรื่องมีราวให้มาคิด mm hmm. การจเจริญสติเพื่อทำจิตให้สงบ mm hmm. เพื่อจเจริญสัมถาภาวนา mm hmm. ก็จะเป็นไปได้ง่าย mm hmm. แต่ก็ต้องคันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ คอยกีดขวางที่คอยดึงคอยคอยดึงไม่ให้ไปเปีกวิเวกผู้ที่ปรารถนาการปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องมีฉันทะวิริยะที่แรงกล้าพอสมควรมีความยินดีจริงอย่างจริงจังที่อยากจะไปบําเพ็ญจิตตภาวนาคือฉันทะเมื่อมีฉันทะก็จะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียงที่จะไปบําเพ็ญจิตตภาวนา มีวิริยาความขยันที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องของการภาวนาจะไม่คิดไปเรื่องอื่นไม่ไม่สนใจกับเรื่องอื่นจดจ่ออยู่กับเรื่องการภาวนาความคิดก็คิดจะคิดว่าจะหาวิธีไหนที่ทําให้การบําเพ็ญจิตตภาวนาเจริญก้าวหน้าที่ไหนดีที่ไหนมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สอนให้บําเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้ผลดีก็จะคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ ต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าจิตการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถาภาวนาหรืว้นปัสนาภาวนานี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตได้พบกับความสุขที่แท้จริงจะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะได้มีการแ <c oughs> สวงหาสถานที่ที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติ เรืองตนก็ศึกษาวิธีบําเพ็ญจิตตภาวนาก่อนว่าต้องทำอย่างไรบ้างก็มีสองขั้นตอนสมถะภาวนาทาจิตใจให้สงบแล้วก็วิปัสสนาภาวนาทำจิตใจให้ฉลาดให้รู้ทันความจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากอย่าไปยึดอย่าไปติดกับความทุกข์อย่าไปติดกับเรื่องของที่เป็นตายแล้วพราะ สิ่งนี้เป็นตาลรักก็คือความทุกข์นั่นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีปัญญาก็จะมองไม่เห็นอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาเห็นว่าเป็นสุขขังนิดเห็นว่าเป็นนิดจังสุขขังอนตาเห็นอะไรกันเห็นว่าเป็นความสุขเห็นว่าจะต้องอยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราเป็นนานๆแทนที่จะไปเห็นว่ามันเป็นของเป็นความทุกข์ก็มันเป็นของไม่ไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันกลับมองไม่เห็นความจริงกัน ต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้ามีสมถะมีวิปัสสนาใจก็จะสามารถกำจัดเหตุที่พาให้ใจทุกข์ได้ก็คือความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีความอยากองเอยในใจแล้วใจก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปววเหมือนคนไข้ที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเชื่อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ถูกยาอันวิเศษกาจัดไปหมดแล้ว คนไข้ก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บใจที่มียาวิเศษคือมีจิตตาภาวนาเป็นยาวิเศษมารักษาใจใจก็จะหายจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนี่ก็คือเรื่องโดยคร่าวๆของเรื่องของการบาเพ็ญจิตตาภาวนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพราะว่าเวลาของการแสดงธรรมก็หมดลงพอดีก็จะขอยุติการ การแสดงธรรมเพียงเท่านี้แล้วในขั้นต่อไปก็จะมาปฏิบัติธรรมกันจะมาเจริญสมถะภาวนาถึงแม้ว่าจะได้เพียงแค่3ามสิบนาทีก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้เลยอาทิตย์หนึ่งถ้ามาฟังเทศฟังธรรมหนึ่งครั้งก็อย่างน้อยก็ได้มาบำเพ็ญสมถะภาวนาสักส0สินาทีด้วยกันเป็นการเริ่มต้นเมื่อเมื่อบเพ็ญแล้วถ้าได้ผลดี ก็จะเกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่อยากจะบาเพ็ญเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติที่นี่ก็ได้หาที่ที่สงบที่ไม่รบ ก, กวนจิตใจที่ส่งเสริมการปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติได้ตามที่ต่างๆแล้วแต่สะดวกตามเวลาต่างๆด้วย ถามาที่นี่ก็ต้องมีเวลามีวันเวลาที่กําหนดไว้ถึงจะสามารถที่จะมาบําเพ็ญได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีบําเพ็ญแล้วเราก็สามารถที่จะบําเพ็ญได้ตลอดเวลาได้ทุกสถานที่ที่เราสามารถที่เราเห็นว่าเป็นที่ที่สงบที่เอื้อเอื้อต่อการบําเพ็ญตอนนี้เราก็จะมาเจริญสมถะภาวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิสมาธิคือความนิ่งของใจ ใจจะนิ่งได้ใจจะต้องหยุดความคิดและใจจ ะ, จะหยุดความคิดได้ต้องมีเบรกของใจเบรกของใจก็คือสติสติก็คือการระลึกรู้ถ้ามีการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติ มีอารมณ์มีสติผูกใจให้อยู่กับพุโทโธถ้ามีการผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานแล้วใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในเบื้องต้นอาจจะคิดได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่จะหยุดทันทีพอเราเริ่มพอเราเริ่มบริกรรมพุโทโธปัาไม่ได้หมายความว่าความคิดจะหยุดทันทีความคิดมันก็ยังคิดของมันต่อไปอยู่เพราะแรงแรงของความคิดมันยังมันยังมีมีมากอยู่ ต้องอาศัยการบริการพุทธโธค่อยๆ ค, oy, ค oy ่อยๆลดความแรงของความคิดลงเบื้องต้นก็ต้องแข่งกันเราก็พยายามบริการพุทธโธไปใจมันก็คิดของมันไปก็สำคัญเราอย่าไปตามความคิดก็แล้วกันถ้าเราไม่ไปตามความคิดเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธต่อไปความคิดก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแล้วต่อไปความคิดก็จะหายไปเอความคิดหายไปใจก็นื่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา เกิดความสุขกันมหาจรจจันใจขึ้นมาพอได้ความสุขอันนี้แล้วจะเกิดความจิตจะเกิดความติดใจที่จะมีกำลังใจที่จะภาวนาที่จะเจริญสตินั่งสมาธิเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามหาศาลกว่าความสุขที่ได้จากทางราบยศสรรเสริญสุขต่อไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งมีความชำนาญมากยิ่งสงบได้มากยิ่งสงบได้นานขึ้นไปตามลาดับดังนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาเจริญสติกันถ้าเราเคยเจริญสติมาก่อนมันก็จะง่ายเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายถ้าเรายังไม่ได้เจริญสติเลยมาเริ่มเจริญสติตอนที่นั่งนี้มันก็จะยากกว่าเพราะว่าใจของเราก็ยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ แต่ถ้าเราจเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งเช่นเราคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยวันนี้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บังคับให้อยู่กับคาบริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรามานั่งสมาธิความคิดมันก็จะน้อยเวลาโอกาสที่จะทำให้ใจนิ่งสงบมันก็จะง่ายขึ้นมากขึ้นแล้วก็นั่งนั่งได้นานขึ้นสงบได้นานขึ้นดังนั้น ถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้เกิดผลควรจะเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งแต่ถ้ายังไม่ได้เจริญก็ต้องมาเจริญตอนที่เรานั่งซึ่งการเจริญตอนที่เรานั่งนี้อาจจะยากจะอาจจะไม่ยอมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าไม่ยอมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเราว่าจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ในท่านั่งสมาธินี่แหละนั่งหลับตาอยู่ในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจ แทนที่จะใช้คําบาลีคำพุโทโธก็ใช้บทสวดมนต์ไปอาจจะสวดบทแผ่เมตตาก็ได้ส่วดบทอิติปิโสก็ได้ส่วนอาการสาสิบสองของร่างกายก็ได้สวดไปก่อนเพื่อให้บรรเทาความฟุ้งซ่านของใจให้เบาบางลงพอใจเริ่มหายฟุ้งซ่านเริ่มเป็นปกติพอที่จะกลับมาพุโทโธได้ก็กลับมาอยู่กับพุโทโธหรือบางท่านชาบดูลมก็กลับมาที่ดูลมหายใจก็ได้หรือจะใช้ใช้ทั้งสองอย่างกํากับ ใจก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธ่ ก, ก็ได้แล้วแต่จะถนัดแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นตามใดที่เราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานได้ถ้าเราสามารถผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่นานเพียงห้นาที10นาทีใจก็เข้าสู่ความสงบได้ข้อสาคัญก็คือ ต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานให้ได้ให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ไหลไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเวลามีอะไรมาปรากฏในใจก็ไม่ให้ไปสนใจไม่ให้ไปตามรู้จะมีรูปก็ดีมีเสียงก็ดีมีความรู้สึกอะไรต่างๆก็ดีที่จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่นก็อย่าไปสนใจให้เกาะใจผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไปนเรื่อยๆอย่าทิ้งกรรมฐานโดยเด็ดขาดถ้าทิ้งกรรมฐานเมื่อไหร่ก็ถือว่าเลิกภาวนาน ใ, นในช่วงนั้นแล้ว ถ้ากลับมาอยู่ที่กรรมฐานก็แสดงว่าเริ่มภาวนาใหม่ดังั้นการภาวนาเบื้องต้นนี้จะเป็นการเปนการภาวนาแล้วก็ทิ้งไปพอเผลอปั๊บก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสนใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มาปรากฏให้รับรู้พอได้สติก็หนึ่งกลับมาอยู่ที่กรรมฐานใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่การภาวนาถึงแม้จะไม่ได้ขยับร่างกายเปลี่ยนร่างกายแต่ก็จะมีการน้มเลิกอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ใจไม่ได้อยู่กับกรรมฐานเวลานั้นก็ถือว่าไม่ได้ภาวนานะพอได้พอกลับมาอยู่ที่กรรมฐานก็ถือว่าได้กลับมาเริ่มภาวนาใหม่ต้องพยายามผูกใจให้อยู่การอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะการภาวนาจะได้เป็นไปอย่างอย่างต่อเนื่องถ้ามีการภาวนาอย่างต่อเนื่องความความคิดต่างๆก็จะค่อยๆสงบตัวลงและนิ่งไปดนที่สุดได้ อันนี้คือวิธีการของการเจริญสมถะภาวนาให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาต้องมีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับกรรมาฐานแล้วต่อไปนี้ก็จะมานั่งสมาธิกันต่อจนกว่าจะหมดเวลาอตอนนี้เวลา <c oughs> เวลาสําหรับการนั่งสมาธิ ก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็จงวิธีนั่งไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีเดิมก็จะทำให้จิตสงบได้เหมือนวันนี้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบด้วยความอยากถ้านั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากพอก็มันจเจริญสติในระหว่างวันไปเรื่อย มันบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วต่อไปก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรยะทาวเรววหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตังองอุปปักปติ ปิชตังปัจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยะธามณนิโชติอาลาโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโคมินัสตุมาเตภาวะตวันตรายสุขีทีขายุโคภะวะ อาพิวาทนสีลิตสานิจจังวุทธาปจายโนจตรารุธรรมาวัทหันเตอายุวโนสุขังพาราังลำดับต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่ได้ตอบคำถามให้เพราะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ259ท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติ306ท่านทาง y o u t u ด e ตตวี สี่ท่านทางวิทยุออนไลน์ส0บท่านทางขับเฮาส์10ท่า น, า house, านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งหท่านรวมทั้งหมด823้ยสาท่านครับคำถามจะผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะจากคำสอนที่ลึกซึ้งมากที่หลวงพ่อเคยเทศมโนปุปพังคมาธรรมมา คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นของล้ำค่าใจเป็นทรัพย์ของเราทุกอย่างนอกจากใจเป็นอนัตตาเป็นของดินน้ำลมไฟคำถามคือในส่วนของขันห้าที่มีกายกับใจเคยได้ยินมาว่าก็ต้องละเพร้อมให้เที่ยงไม่ใช่ของเราสรุปใจเป็นของของเราไหมครับใจเป็นของธรรมชาติใจไม่มีตัวตนแต่ใจสามารถคิดหลอกตัวเองได้ โดยอำนาจของความหลงก็คิดหลอกว่าตัวเองเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ความจริงตัวเองเป็นตัวคิดตัวรู้เท่านั้นเองคำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะเมื่อใจเป็นอุเบกขาแล้วสามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนศักแต่ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ คือถ้าใจมีความสงบเป็นโอเบคาใจก็ปล่อยวางได้ถ้าพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์กันแต่คนที่ยังไม่มีโอเบคานี้ยยังห้ามใจไม่ได้ถึงแม้รู้ว่าจะทุกข์ก็ยังอยากอยากได้อยู่เช่นคนติดยาเสพติดรู้ว่าเสพยาเสพติดแล้วทุกข์แต่ถ้าไม่มีโอเบคาก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้ แต่ถ้ามีอูเบคาแล้วก็เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะไม่ไปเสพได้คําถามจากทาง facebook ค่ะถ้าเรายังไม่เคยนั่งสมาธิก็ยังก็จะยังไม่สามารถเจริญปัญญาในเรื่องของไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเจ้าคะคือจเจริญได้แต่เป็นปัญญาแบบที่ยังไม่มีความสามารถที่จะไปดับความทุกข์ได้ เป็นเขาเรียว่าสุดตามัยปัญญาหรือจินตามัยะปัญญาความคิดที่ยังไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับกิเลสถ้าจะให้มีปัญญาที่สู้กิกเลสได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีกําลังสู้จะสามารถหยุดหยุดความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็หยุดความอยากไม่ได้ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์สอบถามกรรมาฐานที่เหมาะสมกับคนประเภทโกรธง่ายคืออะไรครับความเมตตาเราต้องมีความเมตตากับทุกๆคนอย่าไปโกรธเขาถ้าโกรธเขาก็ให้อภัยเขามองเขาว่าเป็นเหมือนลูกเราเป็นพี่เราพ่อเราแม่เราเป็นเพื่อนของเราเป็นคนที่เรารักถ้าเรารักใครแล้วเราก็จะไม่ค่อยโกรธเขา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเวลาตอนไม่ได้นั่งสมาธิเป็นแบบไหนครับตอนไม่มีสมาธิเลยเป็นแบบไหนคำถามจากทาง Facebook ค่ะละบาปทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสแสดงว่าพราะอรหันต์ก็มีจิตใจหมุนมองได้ใช่ไหมครับแล้ววิธีทำให้ผ่องใสต้องทำเช่นไดครับ ถ้ายังไม่ผ่องใสก็ยังไม่เป็นพระร้ า, ราน <c oughs> ถ้าผ่องใสแล้วก็เป็นพระร้ า, รานโอ้ถามคำถา ม, ถามแปลกๆคำถามจากทาง Facebook ค่ะนิสัยของเราในชาตินี้จะติดไปชาติหน้านไหมคะจะเปลี่ยนได้ไหมคะติดไปได้ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนได้เช่นนิสัยเราชอบ <c oughs> ชอบอาบายามุกเงี้ยพอเรามาเกิดในภพนี้ถ้าเห็นว่าอาบายามุกเป็นโทษเราก็เปลี่ยนได้พยายามฝืนไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันอย่างเงี้เป็นต้นยังไม่มีคําถามนะยังไม่มีคําถามอมีคําถามไหมไม่มีนะเาเข้ามาอยากจะถามอะไรเข้ามา อาารย์ครัถามนะครับปกติผมจู่บ้านผมจะชอบนั่งสมาธิทุกวันปกติผมจู่บ้านผมจะชอบนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็แล้วก็ทรงฌานอยู่แบบนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ชอบความสุขที่มันอยู่กับฌานแล้วผมทำไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วบางทีมันก็จะเป็นแบบวูบๆพอหาจากวูบผมก็เคยปล่อยนะพอหาจากวูบปุ๊บบางทีก็พาผมไปอยู่กับคนว่างบ้างโล่งอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าบางทีก็พาผมไปอยู่กับเหตุภาพนิมิตแบบนี้ครับอาจารย์แต่ว่าผมควรจะจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นเรื่อยๆหรือว่าจะถอยกลับคืนมาแล้วอยู่กับฌานอยู่แบบนั้นครับก็อยู่กับฌานได้ก็ดีแต่ถ้าอยากจะพัฒนาให้มากขึ้นไปกว่า น, นี้ก็เวลาที่ไม่ได้อยู่ในฌานก็ให้พิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาพิจารณาร่างกายเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อปล่อยวาง เพื่อเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของลูกเอาพิจารณาให้หมดว่าเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดกับเขาก็จะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเขาจะเจ็บก็จ่อยเขาเจ็บไปช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็แล้วไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาครับ้ตองใช้ปัญญา ถ้าไม่เช่นนั้นเวลาเกิดเห็นเขาเห็นเขาเป็นอะไรขึ้นมาใจเราจะวุ่นขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่มีปัญญาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องเหมือนพิจารณาสลับกับการเข้าสมาธิจะได้ได้จะได้ปัญญาเราจะได้สามารถกาจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรขอบคุณครับคาะท คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการปฏิบัติธรรมบางทีก็ขยนันบางทีก็มีความขี้เกียจไม่อยากทําไม่ขยันเต็มที่แต่ก็ทําทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยแบบนี้ผิดปกติไหมเจ้าคะทําอย่างไรถึงจะขยันให้ได้ทุกวันเป็นเพราะความอยากไหมเจ้าคะคือตามปกติเวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันก็มีสองฝ่ายสู้กันฝ่ายขี้เกียจกับฝ่ายขยนัน มันสลับกันไปแพ้บ้างชนะบ้างไปแต่ถ้าเราสนับสนุนฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็จะมีกําลังมากขึ้นถ้าเราสนับสนุนฝ่ายขยันต่อไปความขยันมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไปสนับสนุนฝ่ายขี้เกียจความขี้เกียจมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นการสนับสนุนเป็นยังไงก็คือเวลาขี้เกียจก็ทําก็ไม่ทําอะไรเลยเวลาขยันก็ทําบ้างไม่ทําบ้างต้องเปลี่ยนสลับเป็นมาสนับสนุนความขยัน เวลาขยันก็ขยันให้มากๆทําให้บ่อยๆเวลาขี้เกียจก็พยายามอย่าไปทําตามมันห้ามมันพยายามเอาความขยันไปสู้กับมันนแล้วต่อไปเราก็จะมีแต่ความขยนันยังไม่มีนะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรพยายามเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการที่เรา มีความมีมุมานะมีความตั้งใจมีสัจจะอธิษฐานว่าจะทําความเพียรไปเรื่อยๆตามแต่เราจะกําหนดอันหนึ่งจะเดินจงกรมกี่ชั่วโมงจะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อตั้งแล้วเราก็พยายามทำตามที่เราตั้งไว้ล้มไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าเลิกก็แสดงว่าไม่มีสัจจะต่อไปก็จะไม่สามารถตามอะไรได้ตามความตั้งใจ ถ้าตั้งตั้งสัจจะอธิฐานแล้วต้องทําให้ได้ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปตั้ง mm hmm. เดี๋ยวจะเสียสัจจะแล้วมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะไปตั้งสัจจะต่อไปได้แต่ mm hmm. ต้องอาศัยมีความสัจจะอธิษฐานมีความตั้งใจมีความแน่วแน่แต่ความตั้งใจแล้วความขยันก็จะต้องมาเมื mm ่อ hmm. มีความขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะาสิ่งที่เราจะทําในความดีมันทํายาก ทำชั่วมันทำง่ายทำดีเหมือนปีนเขาทำชั่วเหมือนเดินลงเขามันก็ต้องพยายามมีความอดทนเพราะมันยากมันลำบากแต่ถ้าพยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะ ง, ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปตามลำดำับคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะหากคนเราเวลาจะสิ้นลมแม้กระทั่งหายใจไม่ออก และมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสดุมเร้าสำหรักนับปฏิบัติแล้วเมื่อถึงเวลานั้นจะวางใจอย่างไรก่อนจากโลกนี้ไปด้วยดีครับก็วางใจเฉยๆโอเบคาถ้ายังไม่มีโอเบขาก็ต้องพยายามฝึกเสียแต่ตอนนี้ให้วางใจเฉยๆให้เช่นตอนที่เรานั่งสมาธินี้แล้วก็นั่งเพื่อให้มันวางใจเฉยๆไม่ให้ไปทําอะไรไม่ให้ไปยุ่งกับอะไรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เรายังทำน้อยอยู่มันเลยยังมีกำลังน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆต่อไปเราก็สามารถปล่อยวางทุกอย่างได้คำถามจากคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเวลานั่งสมาธิไปแล้วไม่สงบใจฟุง้งซ่านควรนั่งต่อหรือควรทำอย่างไรให้จิตสงบลงคะควรเจริญสติใดยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาหรือการสวดมนต์ไปเรื่อยๆ นั่งหลับตานั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ต่อไปเดี๋ยวสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสามารถนั่งต่อไปได้ อ, อย่าเพิ่งเลิกถ้าอยากจะไปก้าวหน้าต้องพยายามสู้ไปเรื่อยๆถ้าถอยเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถไปก้าวหน้าได้มันจะถอยหลังไปเรื่อยๆพอเราถอยก้าวหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องถอยก้าวหนึ่งถอยไปเรื่อยๆอย่างน้อยถ้าไม่ก้าวหน้าก็อย่าถอยหลังให้รักษา พื้นที่ที่เรารักษาที่เรามีไว้พยายามใช้สติพอรู้สึกว่าสติอ่อนกําลังลงก็ต้องขยันบริกรรมพุโทโธพุโทโธขึ้นมาใหม่หรือสวดมนต์ขึ้นมาใหม่หมดแล้วใช่ไหมคำถามยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็าแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจานงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ